สอนเด็กไม่เหมือนสอนผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนนะเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกอยากพ้นทุกข์แล้วพวกนี้สอนง่ายที่สุดอีพวกหนึ่งมีศรัทธาแต่ยังสนุกอยู่กับโลกนี่ก็สอนยากขึ้นหน่อยสอนเด็กต้องทำให้ดูทำให้ดูเราบรรยายธรรมะด้วยคำพูด เด็กก็รับยากหน่อยแต่อย่างถ้าพ่อแม่ฝึกกรรมฐานฝึกจิตใจสงบร่มเย็นลูกๆเห็นเขาก็ได้รับซึมซับธรรมะเข้าไปคนโบราณสอนเด็กพาเด็กไปวัดหลวงพ่อเนี่ยไปวัดตั้งแต่ยังเดินไม่ได้เกิดเดินทันวาปี95้าห้า เข้าพรรษาปีเก้าหกผู้ใหญ่ทาไปวัดวัดโพเขามีเทศทางพรรษาเลยไปไม่ขาดสักวันหนึ่งไปแล้วไปวางไว้ข้างธรร ม, มาสเลย <c oughs> ที่จริงก็คือเขาจะไปฟังเทศผู้ใหญ่ก็อยากไปฟังเทศนี่เขาต้องดูแลเราด้วยให้เรา อาบน้ำกินนมให้นอนใส่เบาะไปวางไว้ข้างธรรมะกแล้อโตขึ้นมาก็คุณกับพระคุณกับวัดคุณกับธรรมะตอนเดินได้วิ่งได้เวลาพระเทศอะไรที่ไม่สนุกหลพ่อก็ไปวิ่งเล่นถ้าพระเทศมีนิยายมีนิทานก็กลับมาฟังเช้าเช้าขึ้นก็ใส่บาตร ปู่าตายายทั้งหลายพาใส่บาตรพาค้าม้ามพาไหวพาสวดมนต์เนี่ยค่อยๆเรียนธรรมะด้วยวิธีนี้เรียนจากการเห็นตัวอย่างผู้ใหญ่ก็ททำให้ดูแล้วผู้ใหญ่กินเล่าให้เด็กดูนะไม่จะมาบอกให้เด็กมีธรรมะเด็กมันไม่มีหรอกผู้ใหญ่ก็ต้องมีธรรมะสักก้อนนั่นอย่างคุณสุมเมธคิดว่าเอาผู้ใหญ่มาเข้าคอร์สด้วย ทั้งพ่อแม่อะไรเนี้ยเอาเด็กมาด้วยก็ดีเหมือนกันให้พ่อแม่ได้ธรรมะให้เด็กเห็นสอนเด็กก็ไม่สีเรียดมากไม่ เ, เครียดมากให้มันเล่นบ้างเล่นบ้างธรรมชาติของเด็กก็อย่างนั้นแต่หลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นพูดอะไรก็เรื่องยากๆความจริงธรรมะมันง่ายพูดเรื่องง่ายนะ พูดตรงไปตรงมาเลยแต่ใจของเรามันไม่คุ้นเคยกับธรรมะก็เลยฟังแล้วรู้สึกยากเราคุ้นเคยกับอาธรรมคุ้นเคยกับกิเลสเราไม่คุ้นเคยกับเรื่องการทำทานรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาก็ลเลยรู้สึกยากถ้าฟังหลวงพ่อนะอดทนช่วงแรกต้องทน พอเวลาเทศน์หลวงพ่อเทศธรรมะล้วนๆเลยตรงไปตรงมาที่สุดแล้วแต่หลวงพ่อเห็นว่าฆราวาสก็เรียนได้ทำไมรู้สึกว่าฆราวาสเรียนได้เพราะหลวงพ่อเรียนมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์บางทีไม่ต้องถามเลยเราทำกรรมฐานผิดๆอยูนะ่ท่านบอกให้เลยเจออย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องความเมตตาของครูบาอาจารย์ ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์รักรักนะผูกพันจริงใจต่อกันมากเลยอย่างบางทีภาวนาผิดไปเห็นกิเลสผุดขึ้นกลางหน้าอกเนะีอยากจะรู้ว่าต้นต่อมันอยู่ที่ไหนจะเข้าไปทําลายต้นต่อมันให้ได้เลยพอมันผุดขึ้นมาที่หน้าอกนะสติกําหนดลงไปดูลงไปมันก็หดตัวนะหดหนีเข้าไปข้างในส่งจิตตามเข้าไป คิดว่าถึงมันทะลุโลกบาดาลลงในะโลกเอเวจีอะไรก็จะตามดูมันไปไม่รู้ไม่ยอมถอยแล้ววันนี้ไล่ไล่ไล่ ล, ลงไปมันหายแว บ, บไปไี่หายไปแล้วหายเรากลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพอมันฝุดขึ้นมาดูอีกแลไล่ลงไปอีกจะไปหาต้นต่อว่ามาจากไหนคิดว่าทําลายต้นต่อได้จะได้ไม่ต้องมีกิเลสอีกละ ว, วันหนึ่งไปสัมมาาเชียงใหม่แล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่สิม ขึ้นไปถึงถ้ำนีท่านก็เดินออกมาจากหลังถ้ำพอท่านเห็นกนะกวักมือเรียกเลยผู้รู้ผู้รู้เรียก <c oughs> เข้าไปใกล้ๆผู้รู้ออกมาข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในนะหรอก <c oughs> รู้นะเมืเราเข้าไปหากิเลสข้างในไม่ได้พูดสักคาเลยนะเ <c oughs> นี่ยครูบาอาจารย์สอนเราโทราบซึ้งบุญคุณท่านหลายองค์ที่เจอแบบนี้ แล้วการเรียนกรรมาฐานก็เรียนกันตรงไปตรงมาเหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวันนี้แหละมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่ใช่ไปพุโทโธไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยก็รู้เองแหละ น, นั้นหลอกลรู้ได้เหมือนกันนะแต่อีกหลายภพหลายชาติเงินธรรมะชั้นสูงเนี่ยไม่ใช่คารวะเรียนไม่ได้แต่คารวะไม่มีโอกาสเรียนต่างหาก สมัยพุทธกาลอนาถปินธิกะทั้งๆที่เป็นพระโสดาบันมีศรัทธากับพระเจ้ามากนะได้พระโสดาบันไปแต่แยกรูปแยกนามเนี่ยไม่ถนัดหรอกไม่เคยได้ยินคำว่าขันห้าด้วยซ้ำไปตอนอนาถปินฑกะจะตายใกล้จะตายนิมนต์พระสารีบุตรเปเทศให้ฟังสารีบุตรก็เห็นว่าอนาถปิณิกะจะตายแล้วเทพธรรมะชั้นสูง เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเรื่องขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนะไรนี่เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราตอนนี้แหละสอรเรื่องนี้แหละอนาถาบินทิกะฟังนะร้องไห้เลยแล้วต่อตัดเพาะต่อว่าภาษาริบุตรบอกสมัยที่ผมยังแข็งแรงทำไมท่านมิเทศธรรมะอย่างนี้ให้ผมฟังบ้างถ้าผมได้ยินธรรมะอย่างนี้นะก็จะพัฒนาจิตใจสูงกว่านี้อีกไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้หรอก ไม่ใช่ต้องอีกเจ็ดชาติหรอกนะคงสั้นกว่า น, นั้นนี่แต่ว่าเรื่องมันก็ล่วงเลยมาแล้วนะตอนนี้เจ็บหนักใกล้าตายผมฟั ง, ฟงนี่ยผมปฏิบัติไม่ทันแล้วจนะให้แยกรูปนามให้ชำนิชำนานอะไรนี้นะดูท่าตูขันแสดงใจรักอะไรเนี่ยบอกทำไม่ทันลนะเขาอารัธนาภาษาริบุตรบอกต่อไปข้างหน้านะขาโอกาสเถอะ ขอพระคุณเจ้านะแสดงธรรมชั้นสูงอย่างนี้ให้คารวาดฟังบ้างคารวาดที่มีทุลีในดวงตาน้อยมีกิเลสเบาบางยังมีอยู่ถ้าเขาฟังล้วเขาจะได้ไประโยชน์เนี่ยอนาทบินทิกะขอพระสารีบุตรมานะพระสารีบุตรก็รับหลวงพ่อก็สืบทอดปณิทานพระสารีบุตรนะมาเทศเรื่องขันห้าให้พวกเราฟังเนี่ยส่วนเราจะเหมือนอนาถบินทิกะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ตัวใครตัวมันแล้วให้โอกาสแนละ้วที่จะได้ยินธรรมะซึ่งเขาไม่ค่อยสอนกันหรอกธรรมะใกล้จะศูนย์อยู่แล้วใกล้จะศูนย์ใกล้จะหายอยู่แล้วนะถ้าไม่ช่วยกันประกาศไว้มันก็หายแน่นอนเลยศาสนาพุทธเกือบจะหมดไปแล้วนะอย่านึกว่าวิเศษวิโสนักเลยนึกว่าจะเข้มแข็งนักเลยชาวพุทธจริงๆเหลือนิดเดียวแล้วนะของเมืองไทยเห็นไหมหลือไทย ชาวพูดแบบเทรว่าเหลืออยู่กี่ประเทศมีไทยพ ม, ม่ามีลังกาอนะไรเงี้ยนอกนั้นก็เกษรกระแ ส, ะสนี้ น, นี้หน่อยๆ อ, อย่างจีนอย่าง ย, งยวนที่บ่งที่เบตเลยก็เป็นมหายานไปไปอีกแบบหนึ่งเขาพัฒนาเปลือกเปลี่ยนเปลือกไปหวังว่าเปลี่ยนเปลือกแล้วจะรักษาเนื้อไว้ได้ไปไปมาๆไม่รู้เนื้ออยู่หรือเปล่า อาจจะอยู่ก็ได้นะไม่เคยไปเยี่ยมพระที่เบ็ดในเรื่องสมาธิเรื่องอะไรนี่เขาก็ชำนาญเขาทางมหายานเนี่ยมุ่งไปที่การุณานะแ่เราว้านเรามุ่งมาที่ปัญญาความรู้แจ้งอริยสัจจุดมุ่งไม่เหมือนกันธรรมะดั้งเดิมที่พระเจ้าสอนเนี่ยมุ่งมาให้พวกเราแจ้งอริยสัจเนี่เหลือประโยชนไม่กี่ประเทศเหรอก ล้วนแต่ประเทศเล็กๆทั้นั้นเลยประเทศที่งอนเงินคลอนแคลนทั้งนั้นเลยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในเมืองไทยว่าชาวพุทธมากถามจริงๆเหลือชาวพุทธกี่คนเปอร์เซนหนึ่งถึงหรือเปล่าจะมาอวดว่า 90% เปอซนตสักเปอร์เซนหนึ่งจะถึงหรือเปล่า mm hmm. นอานั้นก็เป็นพุทธแต่ชื่อหรอกถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบไม่ได้หรอกตอบกันก็ตอบกันคนละทิศละทางถามว่าอะไรคือพระพุทธศาสนาตอบไม่ถูกหรอก <P eng script> พวกเราตอบได้ไหมอะไรคือพุทธศาสนาอะไรเป็นตัวจริงของพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพุทธศาสนาเราตอบไม่ถูกสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงที่จะว่ารู้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้กิจต่อทุกข์รู้กิจต่อสมุทัยกิจต่อนิโรธตอร่อมรรค รู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งทุกข์ละ ส, สมุทัทยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคสิ่งเหล่านี้นะจริงๆถ้าไม่สอนมันไม่มีทางเข้าใจหรอไม่มีทางรู้เลยเพรน้นที่หลวงพ่อมาสอนนะพวกเราอดทนนิดนึงแรกๆฟังยากถ้าไม่เคยฟังแต่ถ้าฟังแล้วนะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วนะเราไปอ่านพระไตรปิฎกเราจะเข้าใจแล้วคราวนี้ ไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อื่นนะฟังนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าท่านต้องการสื่ออะไรธรรมะที่แต่ละท่านสอนแต่ละท่านสอนนะอยู่ในจุดไหนอยู่ในระดับไหนมันจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะงั้นอดทนฟั ง, ฟ, งฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ฟังซีดีมีซีดีแจกเยอะๆไปพยายามไปฟังเข้าฟังซ้าแล้วซ้ำอีกนะไม่ง่อเกินไปหรอกถ้าสนใจ สติปัญญาระดับพวกเราเนี่ยถ้าใส่ใจสัอย่างเดียวนะยังไงก็เรียนได้เพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอดีพอดีกับมนุษย์ไม่ง่ายไปไม่ยากไปไม่ง่ายถึงขนาดว่านอนกระดิกเท้าแล้วบรรลุพระอรหันต์หรอกแต่ก็ไม่ได้ยากประเภทเดินจงกรมยนกระอักเลือดไปเจ็ครั้งแล้วบรรลุไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ได้ยากไปไม่ได้ง่ายไปมันพอดีพอดี ดังนนธรรมะที่ท่านกลั่นกรองออกมาแจกแจงออกมาสั่งสอนพวกเราเนีเป็นของพอดีที่มนุษย์คนหนึ่งจะขวนขวายได้แต่นั่งนั่ ง, น, งนอนๆอ น, น, อนไม่รู้อะไรหรอกนะต้องขวนขวายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้นกรวี่จนเลือดตากระเด็นนะไม่ใช่ลำบากยากแค้นขนาด น, นั้นนะอยู่ที่ความใส่ใจของเรานะความสำนึกของเราเองนะว่าเราเกิดมาชาตินีนะ้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วเนี่ยนะนะ เราจะปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำหรือเปล่าหรือเราจะหลงระเริงอยู่กับโลกไม่มีที่สิ้นสุดเลิดเพลินอยู่กับโลกแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งนะฉะลองปีใหม่นะกลิ่นเหล้ายัางไม่จางก็ปีใหม่อีกละก็นะะสนุกสนานเฮฮาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปชีวิตต้องการแค่นั้นหรอือต้องการแค่นั้นก็ได้ไม่มีใครบังคับหรอกนะแต่ถ้ามีสติมีปัญญาเห็นว่าควรจะหาอะไรที่เป็นแก่นสารสาระให้กับชีวิตบ้างนะ ก็มาศึกษาธรรมะนะธรรมะที่ต้องศึกษาเนะี่ยธรรมะไม่ใช่เรียนเอาไวจ้จําไม่ได้เรียนเอาไว้แค่สอบนะแต่เรียนแล้วต้องเอาลงมือปฏิบัติให้ได้จริงๆปฏิบัติทําให้สมควรจะทำจริงจริงนะแล้วจะไม่เนิ่นช้าเลยในการพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะพ้นทุกข์ในเวลาที่ไม่ช้าเกินไปนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่เนิ่นช้า มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าจะช้าหรือไม่ช้านะถ้าเรายไม่อยากจะเนิ่นช้านะอันแรกเลยว่ามาปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับจิตใจของเราเองให้มันเหมาะกับการปฏิบัติทรรมต้องรู้จักคำว่ามักน้อยต้องรู้จักคำว่าสันโดษต้องรู้จักคำว่าวิเวกไม่คลุกคลีต้องรู้จกัก ก, ก, จากการปรารบความเพียนต้องรู้จักการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญา ถ้าเรารู้จักในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่ช้าหรอกนะมักน้อยเป็นไงมักน้อยหมายถึงว่ามีความต้องการน้อยนะมีความต้องการน้อยอย่างพระนี่พระต้องมักน้อยนะพระมีอาหารมากเนี่ยเฉพาะวัดนี้นะบางวัดอาหารไม่ถูกปากไม่มีอะไรเข้าปากเลยโอโรตอยากอยากนะอาหารมากมักน้อยหมายถึงว่าฉันเท่าที่ร่างกายจะอยู่ได้ อย่างนี้เรียกว่ามักน้อยมากมากหมายถึงว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอใจนะอยากได้เยอะไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะสันโดษหมายถึงอะไรสันโดษหมายถึงว่ายินดีพอใจในสิ่งที่ได้มาคนะรวาตเนี่ยสันโดษนะแต่อาจจะไม่ต้องมักน้อยนะแต่ต้องสันโดษแต่พระนี่ต้องมักน้อยต้องสันโดษนะมักน้อยมีความปรารถนาน้อยนะคือ ต้องการอะไรต้องการแค่เบสิกมีนิมั่มนิดเทนั้นที่คนเราต้องการพวกเราอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยที่ในหลวงพูดคาว่าพอๆนะคำว่ามักน้อยนิฆราวาสอยากรวยได้ไหมอยากรวยได้ไหมไม่ต้องมักน้อยแบบพระอยากรวยก็ได้แต่อยากมีเมียหลายคนไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมอยากรวยได้นะเช่นตั้งเป้าหมายว่าปีนี้เราจะทํากําไรสักห้ล้าน ตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วลงมือทําเต็มที่เลยได้10บล้านเราก็พอใจแล้ะเราได้ทําเต็มที่แล้วได้มา10บล้านหรือตั้งเป้าไว้ห้าล้านทําเต็มที่สุดฝีมือแล้วได้มาห้าล้านพอใจละยินดีพอใจมีความสุขแล้วที่ได้ทํางานนะก็พอใจหรือว่าตั้งเป้าไว้ห้าล้านได้ล้านเดียวหรือขาดทุนพอใจแล้วมีความพอใจแล้ว คือได้ทําเต็มที่ทําสุดฝีมือแล้วมีความสุขที่ได้ทํางานแล้วนี่เรียกว่าสันโดษนะมีความสุขพอใจแล้วที่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่เต็มฝีมือแล้วไม่ได้ล้าเลยแต่มันได้แค่นี้แหละบางคนทําบริษัทแล้วก็กําลังดีๆค่าขายกําลังดีๆเขาเผาบ้านเผาเมืองเขาเผาบริษัทเราไปด้วยอะไรอย่างนี้ทำไงอะ่ะทําอะไรไม่ได้ถูกเผาไปแล้วนะก็ยังพอใจยังเหลือชีวิตรอดอยู่ กับประสบการณ์หมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วก็ยังเหลือชีวิตอยู่กับประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตแพงนะเป็นทรัพยากรที่แพงมากเลยนะพวกเราบางคนลำบากยากจนลงอะไรเนี่ยอย่าไปนึกว่าเรากลับไปที่ศูนย์เราไม่ได้กลับไปที่จุดตั้งต้นที่ศูนย์หรอกาใดเรายังมีชีวิตอยู่ทุกคราวที่เกิดปัญหาชีวิตนะก็คือการได้ประสบการณ์มาแล้วนะมีความมักน้อยนะ คือปรารถนาน้อยมีความสันโดษยินดีพอใจตามมีตา ม, ม, ตามไดนะ้ไม่คลุกคลนะีกายวาจาใจของเราเนะีย่ยไปคลุกคลีกับคนอื่นมากวุ่นวายอยู่กับคนอื่นมากเนะี่ยเสียเวลาเนิ่นช้าแน่นอนบางคนภาวนานะห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะอันนี้ใส่พระโพธิสัตว์ถึงเนิ่นช้านะีต้องเป็นอสงไขยแสนมหากรัปอะไรเงี้ย น, นะไรๆอสงไขยมันห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะมันก็คลุกคลีไปเรื่อยมันอยาไปช่วยเขานะ งั้นถ้าเราอยากจะพ้ทุกเร็วนะอยากคลุกคลีมากคลุกคลีเท่าที่จําเป็นไปกินเลี้ยงเลี้ยงลูกค้าเป็นการคลุกคลีไหมไม่ใช่นะเป็นการทําหน้าที่พาลูกน้องไปเลี้ยงไม่ได้ว่าคลุกคลีนะเป็นการทําหน้าที่คลุกคลีหมายถึงว่าไม่จําเป็นอะไรเลยยุ่งยุ่งกับคนอื่นตลอดเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วก็ขับรถไปคุยกับเขา รถติดมากก็โทรไปคุยกับเขานึ่งอยู่ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ไม่มีใครคุยด้วยก็เข้าห้องแชทคุยกับหมา ก, กับแมวที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวนะุ่นวายอยู่กับคนอื่นนะวุ่นวายอยู่กับสิ่งอื่นตลอดเวลานะใจออกนอกตลอดนะอย่างนี้มันภาวนายัางไงก็เนิ่นช้านี่พวกเรามาสํารวจตัวเองนะเรามักน้อยไหมเราสันโดดไหมนะเราคลุกคลีกับคนอื่นเกินจําเป็นไหมหลวงพ่อไม่คลุกคลีนะแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นโยม ทำงานทำเต็มที่ถนะ้าหมดเวลางานของเราแล้วนะไม่มีทุระยังต้องไปเลี้ยงต้องอะไรเงี้ไม่มีทุระแล้วเนี่ยกลับบ้านนะอาบน้ําอาบท่านะพักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงก็ภาวนามันก็ไม่ช้าหรอกถ้าคลุกคลีมากก็ช้าทุกครั้งที่เราพูดกับคนอื่นเราเสียพลังงานนะพลังของจิตจะเสียไปงั้นพูดน้อยๆ น, นะดีคนซึ่งมีฤทธิ์ทางใจสังเกตให้ดีอะ เงียบๆพวกที่มีฤทธิ์มากๆนะมีอภิญญามากๆไม่ค่อยพูดเลยเงียบๆพอพูดมากเนะี่ยเสียพลังพลังฝึกปรือเสื่อมนะี่ไปคลุกคลีกับคนยิ่งไป ค, ค, ค, ไปคบคนฟุ้งซ่านนะยิ่งหมดพลังฝึกปรือเลยนะแล้วถ้าไปคบกับพวกพูดธรรมะด้วยกันนะวันๆ น, นั่งพูดธรรมะเรื่อยๆนะก็หมดพลังนะกระทั้งพูดธรรมะก็หมดพลังนะไม่ใช่ไม่หมดพลังนะพูดเท่าที่จําเป็น เนี่ยมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีต่อมาต้องปรารบความเพียรต้องคิดนะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราเกิดมาเนี่ยไม่ยาวนานเท่าไรหรอกไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักลูกเมียครอบครัวทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศต้องสูญเสียไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวเราจะเที่ยวสแสวงหาแต่สิ่งชั่วคราวหรือ สิ่งชั่วคราวก็เช่นหาครอบครัวหาเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่นี่คือของชั่วคราวอาศัยอยู่กับโลกก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะแต่ก็มีพอประมาณก็พอละงานหลักของเราจริงๆคืองานยกระดับจิตใจขึ้นไปชีวิตของเรานี่สั้นนิดเดียวมีเวลาไม่มากโดยเฉลี่ยของคนยนุคนี้ก็อายุประมาณสาม0 0ื่วันส 0,000 วันเนี่ยฝั่งเราเยอะนะจริงๆไม่เยอะเท่าไหร่ ส0 0 0มวันเนี่ยเราเอาไปนอนสิหมื่นวันละวเราเอาไปนอนสิหมื่นวันเหลือสองหมืวันสองหมวันเอาไปทํามาหากินซะเกินครึ่งเหลือนิดเดียวแล้วนะงั้นยังเอาเวลาที่เหลืออีกนิดเดียวเนี้ยเอาไปเที่ยวไปเล่นเพลิดเพลินสนุกสนานนะไม่เหลือเวลาที่จะพัฒนาตัวเองแล้วงั้นเราต้องตั้งเป้าไว้ให้ดีเลยชาตินี้ต้องได้พระสบดาบันตั้งไว้อย่างนี้ใครว่าโลภก็โลภแต่ว่าเอาไว้ก่อนหละ ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าชาตินี้ขอเป็นพระโสดาบันให้ได้นะชาวพุทธต้องเอาอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่ขอทําบุญทําทานนั่งภาวนาทําสมาธิอีกแสนแสนชาติข้างหน้าก็ค่อยให้ได้ธรรมะโง่เลยธรรมะของพระเจ้าไม่เนิ่นช้าป่านนั้นนะธรรมะของพระเจ้านี่ให้ผลรวดเร็วมากเลยถ้ารู้จักปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติได้สมควรจะทำทำให้ถูกต้องก่อนแล้วก็ทําให้พอแค่นี้เองไม่เนิ่นช้าเท่าไหร่แร้ว มันจะยากอะไรในการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองการปฏิบัติธรรมก็คือการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองเท่านั้นเองถ้ารู้เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีแค่นี้ก็เป็นพระโสดาบันละนะถ้าเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในกายก็ได้พระนาคาหมดความยึดถือในจิตขาก็สมมติเรียกว่าพระรหันะ มันมีแต่เรื่องเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตั้งแต่ต้นจนจบเลยของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากอะไรกายของเราก็มีอยู่แล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วเราก็แค่คอยคอยรู้คอยดูบ่อยๆว่าจริงๆกายนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นจิตนี้เป็นตัวเราหรือไม่เป็นคอยรู้คอยดูอยู่บ่อยๆความจริงมันจะแสดงตัวให้ดูอยู่แล้วนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกคารวัตเขาทาได้นะไม่ใช่คารวัตทําไม่ได้สมัยพุทธกาลคารวัตได้ธรรมะเยอะแยะเลยนะสมเถพไป เนี่ยพวกเรานะตอนเนี้ปรารบความเพียนต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติถ้าชีวิตของเราไม่ปฏิบัติเนี่ยชีวิตเราไร้คุณค่าเราไม่ได้ต่างกับหมากระแมวอะไรนะมีชีวิตอยู่กินแล้วก็สืบพันธุ์แล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวเล่นหาวหอนสนุกสนานอะไรเงี้ยนะมิจะได้อะไรขึ้นมาชีวิตควรจะมีคุณค่ากว่านั้นพระแท้เจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบอกว่าอาดีตก็ล่วงไปแล้วนะอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่งอนแง่นคลอนแคลนอยู่กับปัจจุบันท่านบอกว่าอย่าตามอะไรเอาวรลไปถึงอดีตนะอย่ากังวลไปถึงอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอาดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้มันมีจริงให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงเพลินไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะนี่วเราไม่ประมาทเร า, ามีสติอยู่ มีสติเป็นไปในกายมีสติเป็นไปในจิตใจนะตามรู้อยู่ในกายตามรู้อยู่ในใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนที่ทำได้อย่างนี้นะแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวหรือคืนเดียวนี่ก็ควรชมนะมีชีวิตร้อยปีแต่หลงร้อยปีไม่ควรชมเลยนะคนส่วนใหญ่มีชีวิตเท่าไหร่กี่ปีมันก็ลงอยู่เท่านั้นปีแหละนะในพวกเรามาหัดให้มันมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจนะ ถ้ามีชีวิตอยู่ได้วันเดียวพระพุทธเจ้าก็ชมแล้ให้พระพุทธเจ้าชมดีกว่าให้คนอื่นชมนะคนอื่นชมบางทีมันแกล้งชมพระเจ้าชมเนี่ยของดีของพิเศษแน่นอนเลยพวกเราก็มีโอกาสได้รับคําชมของพระพุทธเจ้าทุกๆคนนะถ้าเรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปแค่วันเดียวท่านก็ชมล้วนะงั้นเรามีโอกาสนะที่จะได้รับคําชมของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะได้ชื่อว่าเป็นลูกแท้ๆของพระพุทธเจ้า นะไม่ใช่ลูกแบบหลอกๆมาเกาะกินพระพุทธเจ้าอยู่นะลูกเกาะกินพระพุทธเจ้าเยอะนะหาผลประโยชน์จากาศาสนาในพวกนี้มีเยอะแยะงั้นเราต้องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปรารบความเพียนนะชีวิตเดียวปล่อยให้ล่วงเปล่าๆต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัติปฏิบัติอะไรก่อนจะลงมือปฏิบัติฝึกสติซะก่อน ถ้ามีสติก็จะมีศีลมีสติก็จะมีสมาธิมีสติก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญามีสติต้องฝึกสติถ้าขาดสติซะตัวเดียวนี่ศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยงั้นต้องมาให้มีสตินี่ท่านสอนมาเป็นลำดับเลยนะที่จะไม่เนินช้ามักน้อยสันโดษไม่ครุกครีปลารบความเพียรเจริญสติวิธีเจริญสติสติ เป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเป็นเครื่องระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติเกิดจากทิละสัญญาทิละคนไทยใช้คําว่าเสถียนคือหมายมั น, ม, นมันมั่นคงมันหนักแน่นแน่วแน่นะคือรู้รู้อย่างทีระสัญญาเนี่ยหมายถึงว่ามันรู้อยู่ทีๆรู้อยู่บ่อยๆนะรู้จนรู้อัตโนมัติรู้จนจิตจําสภาวะได้แม่น เรียกว่ามีทีละสัญญาสัญญาเป็นตัวความจําทีละสัญญาคือจําได้แม่นยําจําได้แม่นยําในสภาวะของกายจําได้แม่นยําในสภาวะของใจเพราะอสภาวะทางกายเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นพอจําสภาวะทางจิตได้แม่นเช่นจําได้ว่าโลภเป็นยังไงโกรธเป็นไงหลงเป็นไงพอความโลภเกิดขึ้นสติจะเกิดเองจะระลึกขึ้นได้แล้วว่าความโลภเกิดล้ถ้าจิตจําความโกรธได้แม่นนะพอความโกรธเกิดสติก็จะเกิดเอง ออความโกรธเกิดขึ้นแล้วพวกเราหัดรู้สภาพวะให้มากร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายคู้ร่างกายเหยียดรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกนะความสุขความทุกข์ในกายหายไปก็คอยรู้สึกมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจก็รู้สึก ความสุขความทุกข์ความเฉยๆดับไปจากจิตใจของเราก็รู้สึกมีกุศลเกิดในใจก็คอยรู้สึกนะมีอกุศลเกิดโลบโกรธหลงเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็คอยรู้สึกแล้วจิตวิ่งไปที่ตาคอยรู้สึกจิตวิ่งไปที่หูคอยรู้สึกจิตวิ่งไปคิดคอยรู้สึกจิตวิ่งไปเพ่งคอยรู้สึกเนี่ยเราคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับอย่างเรากําลังเผลออยู่ ขยับตัวปั๊บไม่ได้เจตนาขยับเพราะร่างกายเราขยับอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะกําลังเผลอๆ อ, อยู่เกิดขยับตัวพลิกเดียวท่านเองสติมาแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วนะรู้เลยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่จิตมันเป็นคนดูขึ้นมานะตรงที่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนี่กได้สมาธิมาแล้วนะการมีสตนะิฝึกให้มากจําสภาวะให้แม่นแล้วสติจะเกิดเอง สตินั้นเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงจิตก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีสติไม่ได้ ส, สติมีเหตุสติถึงจะเกิดสติไม่มีเหตุสติไม่เกิดเพราะเราต้องทำเหตุของสติคือการหัดรู้สภาวะเนืองๆประจาสภาวะได้แม่นเช่นความสุขเกิดขึ้นในใจคอยรู้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจคอยรู้นะความโลภความโกรธความห ล, ลงเกิดขึ้นในใจคยรู้น้ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหายใจคอยรู้คอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆและสติจะเกิดเองทันทีที่สติเกิดจิตจะเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลอย่างเรารู้ว่าความโกรธมาพาสติะระลึกได้ปุ๊บนะความโกรธจะดับทันทีเลยความโกรธหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้กุศนละกับอกุศลไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนแสงสว่างกับความมืดนั้นไม่เกิดด้วยกัน แสงสว่างดับไปความมืดก็ปรากฏขึ้นแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ก็เหมือนกุศลนะกุศลทั้งหลายกิเลสเหมือนความมืดนะสติเหมือนแสงสว่างทันทีที่แสงสว่างเกิดความมืดก็ดับไปมันจะไม่เกิดร่วมกันงั้นเราพอเราฝึกสติบ่อยๆเนี่ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตนะสติจะรู้ทันอัตโนมัติเลยกโกรธแล้วนะรู้ทันเลยกโกรธความกโกรธจะดับเมื่อความกโกรธ ด, ดับเนี่ยศีลจะเกิดขึ้น เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธผิดศีลเพราะความโกรธทําอะไรได้บ้างนะไปฆ่าเขาไปตีเขาใช่ไหมไปทําลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งขโมยของเขา ไ, ไปลักขโมยเขาเนี่ยไม่ใช่ต้องผิดแค่ไม่ใช่เกิดจากโลภอย่างเดียวนะเกิดจากโกรธก็ได้ทําลายทรัพย์สินเขาขโมยเขายไปเป็นชู้กับเขาเพราะความโกรธก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพราะราคะเกลียดไอ้คนนี้มากเลยไปหลอกจีบลูกสาวมันไปจีบเมียมันออย่างเงี้ย ทำผิดศีลได้โกรธขึ้นมาก็ไปด่าเขาหรือไม่ก็ไปพูดเพ้อเพาะหลอกให้เขาเหลิงเสียผู้เสียคนไปเลยนะอย่างนั้นก็ได้พูดเท็จ ด, ด้วยความโกรธก็ได้นะโกรธขึ้นมาไปกินเหล้าได้ไหมกินเหล้านี่เป็นตัวตัวรองแล้วนะตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ขาดสติมากขึ้นนะฉงนั้นถ้าโกรธจริงๆมันจะผิดศีลสีข้อแรกนะโลภขึ้นมาก็ผิดศีลสีข้อได้นะ หรือรอบขึ้นมาไปกินเหล้าได้ก็ผิดศีลห้าได้หลงขึ้นมาก็ผิดศีลได้ทุกข้ออีกแหละงั้นถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดที่จิตเรารู้ไม่ทันกิเลสครอบงําจิตได้โอกาสทําผิดศีลนันจะมีถ้ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทันกิเลสดับไปโอกาสทําผิดศีล น, นั้นไม่มีะเรางั้นถ้ามีสติจะมีศีลมีสติแล้วก็มีสมาธิได้ถ้าคอยรู้ทัน ความฟุ้งซ่านสมาธิกับความฟุ้งซ่านนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสสมาธิเป็นธรรมที่เป็นกลางๆจิตที่มีกิเลสมีสมาธิก็มีจิตที่เป็นกุศลมีสมาธิก็มีสมาธิไม่ใช่กุศลเสมอไปแต่สติเป็นกุศลเสมอไปความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลแน่นอน ถ้าเวลาใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านคือใจวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะแส้สายหาอารมณ์ไปด้วยเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่จิตจะสงบอัตโนมัติการที่จิตแสสายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นตลอดเวลานั้นแทบจะเป็นอยู่ตลอดเวลามันแสสายทางไหนมากที่สุดไหแสสายทางใจมากที่สุดคือหนีไปคิดมากที่สุด วันหนึ่งวันหเนี่ยจิตหลงไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยมีเป็นคราวๆจิตหลงไปคิดนี่แทบจะยืนพื้นเลยพอหลงไปดูก็ต่อด้วยหลงคิดหลงไปฟังก็ต่อด้วยหลงคิดไม่มีอะไรเลยก็หลงคิดด้วยตัวของตัวเองได้นะจิตที่หลงคิดก็คือจิตฟุ้งซ่านนั่นแหละเป็นจิตฟุ้งซ่านที่เกิดบ่อยที่สุดเพราะงั้นให้เรามีสติรู้ทันจิตที่หลงคิดเนี่ยดีที่สุดเลย ถ้าจิตหลงไปคิดปุ๊บเรารู้ทันนะความหลงคิดดับจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติสมาธิเกิดอัตโนมัติเลยไม่จําเป็นต้องไปนั่งทําฌานทำกระสงะสิทธิ์อะไรนะเสียเวลาถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ไม่จําเป็นเลยแค่รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดสมาธิก็เกิดแล้แลวงั้นมีสติก็ได้สมาธินะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จเจริญปัญญาต่อนะเห็นกายมันทํางาน ร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะเห็นเป็นรูปธรรมอันหนึ่งเห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันทํางานจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นแต่สภาวธรรมความสุขก็เป็นสภาวธรรมจิตใจที่ไปรู้ความสุขเข้าก็เป็นสภาวธรรมความทุกข์ก็เป็นสภาวธรรมจิตใจที่รู้ความทุกข์เข้าก็เป็นสภาวธรรมเห็นแต่สภาวธรรมไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาเห็นไปเรื่อยๆแล้วสภาวธรรมทั้งหลายเราก็จะเห็นไปอีก ในที่สุดก็เข้าใจเลยสภาวธรรมทั้งหลายจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเกิดดับไปนี่ก็เป็นอนิจจังนะนะสิ่งซึ่งยังมีอยู่ยังไม่เกิดยังไม่ยังไม่ดับไปนะยังยังมีอยู่นะก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้ดับไปนี่เรียกว่าทุกข์ขังนะแล้สิ่งทั้งหลายจะเกิดหรือจะดับเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งนี่เรียกว่าอนัตตาถนะ้าฝึกอย่างนี้ การที่เราคอยเห็นกายเห็นใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราทำได้เจ็ดประการนี้มมากน้อยสันโดษนะวิเวกไม่คลุกคลีนะปรารบความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเจริญปัญญาอยู่ธรรมะตัวที่แปดจะมาความไม่เนิ่นช้าเราจะไม่เนิ่นช้าแต่ถ้าขัดข้างหน้านี้เนิ่นช้าแน่นอน มันบางคนทําไมภาวนาเร็วบางคนภาวนาช้ายุ่งกับคนอื่นทั้งวันยังไงก็ช้าขี้เกียจไม่เคยภาวนาเลยยังไงก็ช้าวันวันเอาแต่โลภนะอยากโน่นอยากนี่ไปเลยไม่เคยควบคุมความอยากของตัวเองเลยยังไงก็ช้าไม่ยอมเจริญสติเลยยังไงก็ช้าจิตฟุ้งซ่านตลอดเลยยังไงก็ช้าไม่แยกรูปแยกนามไม่เห็นกายเห็นใจแสดงใจรักยังไงก็ช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทํทาธรรมะเจประการนี้ได้มากน้อยสันโดษไม่คลุกครีประรบความเพียร จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเราจะได้ธรรมะในเวลาอันไม่เนิ่นช้าเจ็ดนะวันเจเดือน7ปีอะไรนี่มีจริงจริงไม่ใช่ไม่มีนะงั้นพวกเราเราไปทาเอานะทาปรับพฤติกรรมนะที่ถ่วงตัวเองให้ไม่จเจริญเลิกเลิกไปนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาไปจเจริญสติไปนะอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ